มีใครอยากจะถามปัญหาอะไรมไหมคมถามว่ามาคือถามว่าพอนั่งสมาธิไปบ่อยๆจิตมันเหมือนจิตมันมีผู้รู้อยอู่ข้างในแล้วเราก็รู้อยู่ตรงนี้เรารูเรื่อได้ตลอดเวลาแลมก็เย็นอยู่ข้างในตลอดเลยแล้วเราก็นั่งข้ อ, อ, ขนนขอสมาธิเองมไม่ขึ้นหมด แล้วีก็รักษาให้มันเป็นไปทั้งวันทั้งคืนะเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็พยายามให้มันเย็นอย่าไปร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆเวลาใครด่าเราก็อย่าไปร้อนก็รักษาความเย็นหยงใจไว้ท้าไในนี้คือเหมือนมีผู้รู้ที่เราแยกออกมาเรารู้สึกได้ไม่เป็นไรละเจอรู้สึกแค่ไม่สําคัญสําคัญขอให้เรา ใจเราเย็นอย่างเดียวก็พอใครจะด่าดเราเราก็เย็นใครจะกั่นแก้งเราเราก็เย็นเห็นอะไรก็อย่าไปอยากได้ถ้าอยากได้แล้วมันจะร้อนคือปฏิบัติเพื่อให้ใจเย็นเพื่อให้เราหยุดความอยากต่างๆเวลาเราเห็นกระเป๋าอยากได้ก็อยากไปซื้อมันเห็นรองเท้าอยากได้ก็อยากไปซื้อมันถ้าจะซื้ออะไรต้องซื้อด้วยเหตุผล คือจำเป็นไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นถ้าไม่มีแล้วมันจะมีปัญหาตามมาอย่างนี้ก็ซื้อได้ถ้าไม่จำเป็นมีอยู่เยอะแยะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อมันที่นั่งนี่เพื่อฝึกให้ใจเราเฉยให้เราเย็นให้อยู่เป็นสุขเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เราไขความสุขกับเราเราจะเลือกหาความสุขจากสิ่งต่างๆ เลืหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราจะหาความสุขจากการทําใจให้เรานิ่งให้ใจเราเย็นอันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติส่วนตัวรู้จะอยู่ตรงไหนไม่มสําคัญตัวรู้มันไม่เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวอยากตัวโลภตัวโกรธตัวหลงสามที่เราจะต้องคอยฆ่ามันฆ่ามันด้วยความเย็นของใจฆ่าด้วยใจความเย็น เวลามันจะร้อนขึ้นมาก็ต้องเอาทำให้มันเย็นให้ได้เวลาโกรธขึ้นมาก็ต้องทำให้มันเย็นให้ได้เวลาโลภขึ้นมาก็ต้องทำให้มันเย็นให้ได้เข้าใจไหมว่าง่าง ม, างมันจะกี่ว่างก็ช่างมันขอให้มันว่างจากความโลภโกรธหลงก็พอว่างอย่างอื่นไม่สำคัญขอให้มันว่างจากความโลภความโกรธความหลง เวลาโลภ ก, ก็ต้องทำให้มันหายไปให้ได้เวลามันโกรธก็ต้องทำให้มันหายไปให้มันว่างให้ได้ถ้าว่างจากสามตัวนี้แล้วก็เป็นผ้าอาหารหันได้เข้าใจไหมความว่างอย่างอืง่นเป็นความว่างปลอมเป็นความว่างชั่วคราวเนีนความว่างจากการนั่งสมาธินี่เป็นความว่างชั่วคราวเวลาจิตสงบจิตจะว่างจากความโลภโกรธหลงชั่วคราวเป็นผ้าอาหารหันชั่วคราว พอออกจากสมาธิมาพอเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าความโลภ ก, ก็มานี่สแสดงว่าไม่เป็นผ้าอาหารหันนะเป็นกิเลสล ะ, ะถ้าเห็นแล้วเฉยเอไม่อยากได้เห็นอะไรก็ไม่อยากได้อย่างงั้นถึงจะเป็นผ้าอาหารหันอย่างท้าววอถ้าไม่ถ้ายังโลภอยู่ก็ต้องหยุดมันต้องฝืนมันต้องไม่ทําตามมันมันอยากจะได้อะไรก็ต้องใช้เหตุผลว่าจําเป็นจะต้องมี หรือไม่ถ้าไม่จําเป็นจะต้องไม่มีต้องมีก็ก็ไม่ต้องเอาเช่นเรามีกระเป๋าแล้วเห็นกระเป๋าใบใหม่อยากจะได้ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เป็นความโลภละแต่ถ้าเราไม่มีกระเป๋าใช้จําเป็นจะต้องมีกระเป๋าใช้ก็ซื้อม า, อาไม่เป็นความโลภเราต้องหยุดความโลภทุกรูปแบบความโลภความโกรธความลง ความโลภมันก็เกิดความโกรธก็เกิดจากความโลภเวลาโลภแล้วไม่ได้ก็โกรธอยากจะได้กระเป๋าแล้วไม่ได้ซื้อกระเป๋านี่ก็โกรธขึ้นมาหรืออยากจะให้คนนั้นคนนี้ทําอะไรให้เราพอเขาไม่ทําให้เราเราก็โกรธเขาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทําอะไรให้เราเราจะไม่โกรธเขาเขาจะทําหรือไม่ทําเราไม่เดือดร้อนความเดือดร้อนเกิดจากความอยากของเราเท่านั้นเอง เกิดจากความโลภของเรานั we anything, ่นเองนั้นเราอย่าไปโลภอย่าไปอยากเพราะว่าเราโลภมามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาแก้ปัญหาเดี๋ยวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาแล้วได้นี่แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้อนู่นต่อได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้รองเท้าได้รองเท้าเดี๋ยวก็อยากจะได้เสื้อผ้ามันก็ไล่ไปเรื่อยๆโลภไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆ ถ้าเราจิตมีความสงบมีความสุขมีความอิ่มแล้วเราจะไม่โลภไม่อยากได้อะไรถ้าโลภอยากเราก็หยุดมันได้ถ้าเราใช้เหตุผลสอนใจเหตุผลก็คือปัญญามาจำเป็นหรือไม่จําเป็นถ้าไม่ได้มันมาแล้วตายหรือไม่ตายถ้าตายถ้าตายก็ต้องเอามาเช่นไม่มีอาหารกินนี้ต้องกินอาหารไหมถ้าไม่กินแล้วตายไหมถ้าไม่กินแล้วตายก็ต้องกินนี้่ ถ้าไม่กินมื้อเดียวไม่ตายหรอกอดมื้อเย็นได้ไม่ต้องกินมื้อเย็นคนที่ไม่โรค ก, ก็ไม่ต้องกินมื้อเย็นกงนเขาเินขเนขากินวันละมื้อเขาก็อยู่ได้นะทําได้ไหมนีม่แหละถ้ า, ถ, าถ้าเรามีความเย็นมีความสุขใจแล้วมันทําได้อย่<ม>ที่นั่งสมาธิก็เพื่อให้เรามีกําลังที่เราจะได้ ทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ทำด้วยความอยากความโลภตอนนี้เรายังทำอะไรด้วยความโลภความอยากกันไม่ได้ทำด้วยเหตุด้วยผลกันอย่างกินอาหารวันละสามื้อนี่มันก็เป็นกินด้วยความโลภถ้ากินด้วยความจำเป็นนี่กินวันละมื้อก็พอกินวันละมื้อก็อยู่ได้ไม่ตายเราพิสูจนมาแลางนาเนี่ยบวชมาสี่สิบปีก็กินวันละมื้อมาทุกวันเนี่ยก็ไม่นตายเนี่ย ใช่ไหมลองกินดูเลยลองกินวันละมื้อดูถ้ามันหิวก็ไปนั่งสมาธิแทนเดี๋ยวพอนั่งสมาธิจิตสงบมันก็อิ่มมันไม่ได้หิวที่ร่างกายมันหิวที่ใจใจไปโลภไปอยากกินกันพอเราหยุดความโลภหยุดความอยากได้ด้วยการนั่งสมาธิความหิวก็หายไปไม่ต้องกินข้าหารแล้วร่างกายจะแข็งแรงขึ้นมากกว่ากินมากกินมากยิ่งกับในโลภภายไข้เจ็บมาก กินน้อยกับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเชื่อไหมปัญหาคือหยุดกินไม่ได้กันบางุดกินแล้วจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็อดไม่ได้อดไม่ได้เพราะไม่มีความสุขใจต้องมานั่งสมาธิกันถ้า น, นั่งสมาธิได้มีความสุขใจมันจะไม่หิว เวลาหิวก็มานั่งสมาธิแสดงว่ามันขาดสมาธิเวลาจิตหิวเนี่ยมันไม่ได้ขาดอาหารนะเนี่ยมันขาดสมาธิขาดความสงบเราให้อาหารผิดคนเวลาหิวใจหิวเรากลับไปให้อาหารที่ร่างกายที่ไม่หิวร่างกายบอกจะเป็นตุ่มอยู่แล้วยังให้มันกินอยู่นั่นะเวลาหิวต้องมาให้อาหารที่ใจเพราะคนที่หิวคือใจไม่ใช่ร่างกายะ ร่างกายมันกินวันละมื้อมันพอแล้วถ้าหิวถ้ากินมื้อหนึ่งแล้วหิวนั่นแสดงว่าไม่ได้หิวที่ร่างกายหิวที่ใจตอไปนั่งสมาธิให้อาหารใจคือความสงบความสงบนี่แหละคืออาหารใจพอใจสงบแล้วหายหิวลับลองได้ไม่เชื่อลองทำดูร่างกายไม่หิวให้อาหารผิดคนกนกคนที่หิวคือใจแต่กลับไปให้ร่างกาย ร่างกายมันหลอดท้องจะแตกแล้วเนี่ยพุงจะกลางแล้วยังไปให้มันอีกไอตัวที่พร้อมก็ลองกลา ง, งกองแกงก็คือใจกับไม่ให้มาอะไรมันมันก็หิวอยู่นั่นเนี่ยกินกี่มื้อใจมันก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเข้าใจเนี่ยตอนนี้เรามานั่งสมาธิเพื่อให้ใจเราอิ่มเนี่ยตอนที่หนูนั่งสมาธิแล้วหนูรู้สึกไงนั่นแหละต่อไปนี้ทุกครั้งเวลาอยากกินอะไร หิวอะไรอย่าไปให้ที่ร่างกายให้ที่ใจไปนั่งสมาธิแทนอยากกินกาแฟาก็ไปนั่งสมาธิแทนอยากกินขนมก็ไปนั่งสมาธิแทนแลับลองได้ว่าต่อไปใจเราจะอิ่มตลอดเวลาล้วจะไม่หิวกับขนมนงเอะไรต่างๆจะหิวก็แค่หนเดียววันละมือท่านเองพอกินอาหารเสร็จรู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ไม่มีปัญหาแล้วไม่หิวและ ถ้าหิวหลังจากที่กินอาหารแล้วแสดงไ่าหิวที่ใจต้องให้สมาธิอย่างเดียวต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวจะรับรองได้น้ำหนักหนูจะลดลง<ม>เพราะหนูให้อาหารถูกที่มไม่ได้ไปให้อาหารผิดที่ร<ม>่างกายไม่หิวก็ไปให้อาหารมันน้ำหนักมันก็เลยขึ้นมีแต่ขึ้นไ ม, ม่ยอมลงสักทีส่วนไอ้คนที่หิวหนูไม่ไปให้อาหารมันคนที่หิวก็คือใจ ใจต้องการความสงบเวลาใจสงบแล้วใจใจะอิ่มใจจะมีความสุขเจ้าอาจารย์ไหมเยนพยายามให้อาหารใจเยอะๆใจเราตอนนี้ผอมมากเหมือนกับคนที่อยู่ในแอฟริกาเนี่ยนะดู <c oughs> มีแต่นังหุ่มกระดูกใจของพวกเราแต่กลับไปเลี้ยงร่างกายให้อาหารที่ร่างกายร่างกายมันก็อิ่มมีพีมันกลายเป็นตุ่มขึ้นมา แต่ใจนี้ต้องแบกตุ่มเพราเนะี่ยเอาคน่พร้อมกับรองกองแกงมาแบกตุ่มนะจึงไม่มีความสุขทางใจกันเลยถึงแม้ว่าร่างกายจะอิ่มน้ำำานําสําราญอิ่มหนีพิมันขนาดไหนแต่ใจไม่มีความสุขเลยใจก็ยังหิวอยูนะ่เพราะเราไม่รู้จักวิธีให้อาหารก็ให้อาหารกับใจไม่มีอาหารใจให้มีแต่อาหารกายใจก็เลยหิวอยู่เรื่อยๆ ถ้าอยากจะให้กะใจอิ่มต้องให้อาหารใจอาหารใจก็คือสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิเยอะๆใจจะสงบได้จะเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีสติต้องพุทธโธบ่อยๆพุทธโธไปทั้งวันแล้วเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิใจจะสงบใจจะนิ่งใจจะอิ่มใจจะพอใจจะมีความสุข แล้วรับรอ응งได้ว่าร่างกายจะไม่มีวันเป็นตุ่มนะเพราะกินมือเดียวมันไม่ม mm ันไม่มีทางที่จะอ้วนได้แล้วคนที่มาบวชเนี่ยพันษาหนึ่งก็าบอกลดไปสิบพันศาลดไปสิบกิโลคนที่มาบวชสามเดือนพอเสร็จไปเลยว่าน้ําหนักลดไปเกือบสิบกิโลเพราะที่วัดที่นี่ฉันมือเดียวตื่นแต่เช้าตีสี่ไอวายพักสวดมนต์นั่งสมาธิ พอสว่างก็บินธบาตบินธบาตเสร็จก็กลับมาฉันมือเดียวฉันเสร็จก็กลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อเย็นก็ลงบทไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยทาอย่างนี้มันก็ร่างกายก็ไม่ต้องไม่ต้องกินอาหารอะไรมากไม่หิวเพราะใจมีกิจกรรมทมตลอดเวลามีเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็จะไม่คิดถึงอาหาร ถ้าเราพุทโธพุทโธไปทั้งวันนี้เราจะลืมเรื่องอาหารไปลืมเรื่องขนมนมเนยลืมเรื่องเครื่องเรื่องดื่มอะไรต่างๆที่เราคิดถึงมันที่เรากินพวกนี้เพราะว่าเราคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็คิดถึงขนมแล้วเดี๋ยวก่าคิดถึงเครื่องดื่มแล้วเดี๋ยวว่าคิดถึงอาหารแล้วพอคิดปั๊บมันก็ต้องไปหามันมากินละแต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวมันก็จะไปคิดไม่ได้ หรืถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมันพอรู้ว่ามันจะคิดถึงอาหารก็รีบพุโทโธนะพอคิดถึงขนมก็รีบพุโทโธนะแล้วเดี๋ยวความคิดถึงอาหารถึงขนมมันก็จะหยุดไปหายไปแล้วก็ไม่ต้องไปกิดขนมไม่ต้องไปกิ น, กนอาหารเราต้องมาควบคุมความคิดเราให้ได้ตอนนี้ความคิดเรามันคิดไปหาแต่อาหารคิดแต่เครื่องเดืม่มคิดแต่ขนม เราเลยกินกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเราเราก็มาเจ็บไข้ได้ป่วยจากพิษอาหารที่เรากินเข้าไปกินอาหารมากเกินไปน้าตาลมากเกินไปไขมันมากเกินไปเกลือมากเกินไปความเค็มมากเกินไปก็ทำให้เกิดความดันขึ้นมาความหวานมากเกินไปก็เกิดเบาหวานขึ้นมาไขมันมากเกินไปก็เกิดไขมันอุดตันขึ้นมา เนี่ยมันเกิดจากการกินของเรานี่เองว่าไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนเลยโลกพวกนี้มันมาจากการกินของพวกเราแบบไม่ไม่มีเหตุมีผลกินตามความอยากถ้ากินตามความจําเป็นมันไม่มีโลกอะไเหล่านี้กินวันละมือ้อมันจะมีได้ยังไงเข้าใจไหมมาฝึกปฏิบัติธรรมแล้วจะมีประโยชน์ทั้งสองทางจิตใจก็มีความสุขร่างกายก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน โรคภัยจะแข็งแรงจะมีอายุยืนยาวนานดูหลวงปู่หลวงตาแต่ละองค์เนี่ย90กว่า100นึงนีงนงนงนงมีคำถามอยังไหมมีค่ ะ, ะว่าอาไรถ้าพ่อยังไม่ได้มีรา่างในสมาธิแต่วันวันเราก็ฝึกสติไปก่อนร่าวันแล้วก็ตอนเชา้าจะทำท่านอแล้วทำอะไรกันทำเรื่องแต่รอเวลาก็ให้มีสติอยู่กับงาน<ร>งที่เราทำ ได้แต่รสนนะะบกกนคัีม็หาเวลานั่งเพิหน่อยเลยทั้งวันทำไมไม่มีเวลานั่งเลยเหรอลีค่ะแต่วันทีก็ทำเรืเร่อยๆเจเจอจะพังนันแหละพอตั้งใจจะนอนถ้าไม่บั ง, งถ้าไม่บังคับมันนั่มันมันจะไม่ยอมนั่งกิเลสมันจะไม่ยอมให้เรานั่งเราต้องบังคับมัน เ, เรามีเวลาเยอะแยะแต่มันจะหลอกให้เราไปทํานู่นทำนี่แทนนแต่ว่าเวลาทำก็พยายามจะพุทโธถ้าเสร็จไปก็อดี๋ยวกลับพุทโธว่าต่อไป ต่อไปต้องกําหนดเวลานั่งบ้าง<อ>ถ้าจะไปทำอะไรที่ไม่จําเป็นก็มานั่งแทนดีกว่า<อ>บังคับมันแล้วต่อไปมันจะเป็นนิสัยมันจะนั่งมันจะนั่งได้มีช่วนึงจะติดมาตอนเช้าได้ น, นั่งแต่วานหลังนี่ไม่มีคนงานติดขึน้นมางานบ้านท ำ, ทำ<อ>ๆๆก็รู้สึเพลินดีแต่ต้อพยายามได้ถ้านั่งได้จะดีกว่าทําเออถ้า ไ, ไหนไม่จำเป็นจะต้องทำหยุดไม่ต้องไปทํามัน มานั่งดีกว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากการนั่งนี้มันมากกว่าประโยชน์ที่เราได้จากการกระทาอะไรต่างๆเพราะเราจะได้ความสงบได้สมาธิที่จะเกิดได้ก็ตอนที่เรานั่งเท่านั้นเองถ้าเราไม่นั่งเราจะได้แค่สติมันจะไม่สงบมันจะไม่นิ่งเป็นสมาธิเวลานะันะ่งนะั่งสักเดียวก็ ร, รู้สึกลมหายใจมันเบาลงนิ่ง ส, สบา ย, บายก็ดูไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆอย่าปล่อย อย่าทิ้งลมหรืออย่าทิ้งพุทโธอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่าปล่อยให้มันไปคิดมันสบายแล้วก็อย่าปล่อยมันยังไม่นิ่งมันยังไม่ดิ่งยังไม่รวมเป็นหนึ่งมันต้องดิ่งลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วมันจะนิ่งมันจะเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ถ้าตอนนั้นไม่ต้องทําอะไรตอนนั้นมันจะปล่อยมันจะเฉยมันจะสุข ท่วลานั่งค่ะว่านั่งแล้วสมาธานี่หมายถึงว่าสมธาธิก็สมาธินี่สมธาธิแว่าความสงบแค่ น, นั้นเองสมาธภาวานาคือการทําสมาธิภาวานามีสองหนงสมาธภาวานาคือการทําสมาธิทําใจให้สงบเรียกว่าสมาธภาวานาวิปัสสนาภาวนาคือทําใจให้ฉลาสอนใจให้จลาสอนใจให้เห็นว่าเห็นตายลับเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากนี้เป็นทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไป เพรามันไม่เที่ยงอันนี้อางทุกขังมานัตตานี่คือปัญญาวิปัสสนาเออแล้วเวลาที่นั่งแล้วรู้สึกสบายลลลลลบแล้วก็ลื่นไปเลยนิ่งไปเลยกับหลันั่งแล้วต้องรู้ว่าตอนนี้ลมพัดตอนนี้นั่นตอนนี้นี่อันไหนดีกากันก็แล้วแต่ว่ามันมันมั น, ม, นมันนิ่งแบบไหนถ้านิ่งแล้วมีความสุขมีความรู้สึกตัวเอาก็เราต้องการอย่างนั้นอ่าถ้านิ่งแล้วเหมือนกับหลับไปนี่แสดงว่าหลับ ทำอย่างนั้นก็ไม่ดีแต่ถ้านิ่งแล้วสุขบายแลบายไม่จำเป็นต้องรู้อะไรไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้นตอนนั้นให้นิ่งเฉยๆให้สุขให้สบายแต่จะให้รู้ก็ตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วรู้เวลามีอะไรมากระทบใจต้องรู้ว่าอ๋อไม่ใช่เวลานั่งว่ารู้ลมพัดไม่ไม่ไม่ต้องการจะรู้อะไรแหวนั่งต้องการให้ใจว่างให้ใจนิ่งแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วให้รู้กับเหตุการณ์ที่มากระทบเรา อย่าไปทุกข์กับมันอะไรมากระทบใจเราเราต้องเฉยให้ได้ใครมาด่าเราก็ต้องเฉยให้ได้ใครมากั่นแกล้งเราเราก็ต้องเฉยให้ได้คิดว่ามันเป็นเหมือนลมที่เราห้ามไม่ได้ลมพัดนี่เราห้ามมันไม่ได้ใครจะด่าเราก็เราข้ามห้ามเขาไม่ได้ใครก็จะร้ายกาจกับเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ แต่เราอย่าไปมีการตอบโต้กับเขาเราจะรับรู้เฉยๆดูว่ามันมาแล้วก็ผ่านไปแล้วเราจะไม่เหนื่อยพอใครด่าเราก็ปล่อยก็ด่าไปด่าเสร็จมันก็หายไปแล้วเรารับรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วไม่ต้องเอามาคิดต่อให้เสียเวลาในวิปัสสนาสอนใจให้ฉลาดให้ปล่อยวางทุกอย่างที่มากระทบกับเราอย่าไปแบกบางทีเขาดา่าเราตั้งแต่เมื่อเช้านี่เรายังแบกมาถึงตอนบ่ายนี่ เรียกว่าแบกเขาอย่างน่ะอ่าไม่้นจเข้าใจจิตที่ว่าหรือว่านั่งอยู่เข้าใจว่าต้องรู้สึกรู้สภาวะแล้วเออเวลานั่งต้องการสงบต้องการไม่ต้องการความนิ่งความสงบของใจอ่แล้วพอจะวิปัออกมาแล้วค่อยมาสอนใจว่าอะไรมากระทบก็มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับมันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันมาแล้วมันก็ไปแล้วแต่บางทีเรายังเอามาแบก อ, อยู่ มองมว่าเราบังคับมันไม่ได้ของต่างๆที่มากระทบกับเรานี่เราไปห้ามเขาไม่ได้ออกมาเจอคนไม่ดีเจอคนดีเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นขับรถไปใครก็จะปาดหน้าเราแซงซ้ายแซงขวาเราแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้เราก็ขับของเราไปไม่ต้องไปโกรธเขาไปเกลียดเขาเรื่องของเขาเขาอยากจะปาดไปปาดมาก็เรื่องของเข า, ข า, า, ด า, ข เ, ขาเดยวก็ชนกันเองนะเราพยายามขับของเราให้ดีๆไปก็แล้วกัน ในวิปัสสนาอ่าให้รู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับมันถ้าเราไม่ยุ่งแล้วมันไม่ทุกข์ต้องปล่อยมันให้มันมันจะดีจะชั่วก็ปล่อยมันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราไปเห็นของไม่ดีแล้วอยากให้มันดีพอมันไม่ดีเราก็ทุกข์เห็นของไม่ดีอยากให้มันไม่ดีอยากให้มันหายไปมันไม่หายไปก็ทุกข์อีกยังเฉยๆปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมัน มันจะดีก็เรื่องของมันมันจะไม่ดีก็เรื่องของมันเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ไปเปลี่ยนมันไม่ได้เหมือนเห็นมรกรอย่าไปอยากให้มันเป็นสัพพรด uhh> ใช่ไหมไ <S 2> <S 2> <S เวลาเห็นมรกอยาไม่เป็นสัพพรสไหยไม่ใช่ไหมเพอเรารู้ว่าเปลี่ยนมันไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนกันเห็นคนปาดซ้ายปาดขวาก็ไปด่าเขาไปอยากให้เขาไม่ปาดซ้ายปาดขวามันก็ห้ามเขาไม่ได้เขาก็ปาดซ้ายปาดขวาของเขาไปตามเรื่องของเขาอเก็ปล่อยเขาไป ก็ให้รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้นี่คือปัญญาให้รู้ความจริงอย่าไปอยากอย่าไปเปลี่ยนความจริงความจริงเอาเปลี่ยนไม่ได้แต่เราชอบเปลี่ยนกัน เ, นะเรื่อยเห็นอะไรไม่ถูกใจเราไหนก็อยากจะเปลี่ยนให้มันถูกใจเรานะอันนี้คือื อ, อวิปัสน า, านอ่าวิปัสนาคำธรรมก็เป็นคาที่เราใช้แทนวิปัสนาท่านะ แต่ความจริงคําว่ากรรมฐานเนี่ยมันมีความหมายของมันกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้ในการทําใจให้สงบหรือทําใจให้ฉลาด<ม>เช่นพุทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างดูลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างกรรมฐานแบบนี้ทําใจให้สงบกรรมฐานแบบที่จะทำใหใจให้ฉลาดก็คือดูซากศพสิบชนิดอย่างดูศพชิสิบชนิดนี่จะทําให้เราฉลาดตอนนี้เราไม่เคยเห็นศพเราเลย เรายัางโง่อยู่ถ้าเราเห็นศพของเราแล้วตอบเราก็จะฉลาดเราก็จะไม่กลัวศพต่อไปร่างกายเราจะเป็นศพเราก็ไม่กลัวเพราะเรารู้ว่ามันต้องเป็นแต่ตอนนี้เราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่ยาวไม่มันเป็นใช่ไหมเราคิดว่าห้ามมันได้เปล่าห้าไม่ให้ร่างกายมันเป็นศพได้ปล่ะเนี่ยพระอาจารย์ถึงสอนให้เราดูศพสักสิบชนิดตายใหม่ตายเก่าศพขึ้นเอือดตายศพเน่าศพเปื่อย ศพเละเทะศพกระจัดกระจายแรงกากัดหมากัดเนีย่ยศพสมัยก่อนก็ไปปล่อยไว้ทิ้งไว้ในป่าชา้าแล้วให้พระไปไปพิจารณาศพให้ไปดูอนาคตของร่างกายของตนว่าต่อไปมันจะต้องเป็นอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่ห่วงร่างกายจะได้ไม่ต้องห่วงร่างกายห่วงไปถ้าเป็นแทบตายผมหงอกขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็วุ่นวายแล้ะแต่ถ้าไปเห็นเป็นซากศพนี้ต่อไปเห็นผมห่อนี้มันเฉย ไม่เดือดร้อนอเห็นหนังเหี่ยวไม่เดือดร้อนอ ม, มีอะไรเกิดขึ้นมาหน่อยในร่างกายตื่นเต้นตกใจไปหมดเพราะมองไม่เห็นสร้างศพถ้าเห็นว่าต่อไปร่างกายมันต้องกลายเป็นสร้างศพนี่ยตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับมันที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กไปหมดใช่ไห ม, มนี่คือปัญญากรรมฐานกรรมฐานที่ทําให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเห็นความจริงไง ตอนนี้เราไม่เห็นความจริงของร่างกายของเราเราจะเห็นว่ามันสวยมันงามมันหนุ่มมันหนุ่มมันสาวไปมันจะไม่ยอมให้เห็นว่ามันแก่มันมันเจ็บมันตายเลยเราจายยังอต้องทําสลับกันเวลานั่งสมาธิให้มันนิ่งอย่างเดียวไม่ให้คิดอะไรเวลาออกจากสมาธิมาคิดทางนี้คิดทางปัญญาเนี่ยคิดทางวิปัสสนาคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่าง เป็นธรรมชาติเราไปบังคับมันไม่ได้ร่างกายนี้เราบังคับมันไม่ได้ต่อไปมันจะต้องเป็นซากศพมันจะเป็นศพตายใหม่ศพตายเก่าศพขึ้นอื่นศพเละเทะนาวเฟะศพแห้งศพศบอะไรไปเนี่ยคือศพทั้งนั้นนะ่ยคือร่างกายอันนี้ที่เรากำลังมีอยู่เนี่ยต่อไปมันจะต้องเป็นอย่างนั้น สมัยนี้มันไม่มีศพแล้วมันก็เลยมันไม่มีแบบศพแบบนี้แล้วมันมีแต่พอตายไปก็เข้าห้องเย็นนะแช่แข็งพอเผาก็กลายเป็นขี้เท่าไปก็พิจารณาแบบนั้นแทนก็ได้เวลาตายไปเนี่ยเขายาวศพเราไปไหนไปวัดใช่ไหมแล้วก็ไว้ในโรงเนี่ยสมัยนี้ก็มีโรงอะไรโรงแบบแช่เยนเ็นใช่ไหมติดนะเสียบปลั๊กเลยแช่แข็งเลยอ่าลงใส่ในโรงอ่านั่งลอะ ได้เวลาเป็นไม่ได้นอนในห้องแอร์เวลาตายนี่ได้นอนในห้องแอร์ยี่บสี่ชั่วโมงเลยดีกว่าเป็นเ่ยเวลาเป็นนี่ต้องนอนในห้องร้อนเวลาตายได้นอนในห้องแอร์พอถึงวันเผาเขาก็ถอดปักกองตอนเช้าให้มันละลายแล้วพอตอนบ่ายเขาก็จะได้เผาได้จะได้ไม่เปิ่งไฟให้มันละลายก่อนไม่เวลาเราแช่เนื้อแ ข, <S <S แข็งไว้ในตู้เย็น เวลาเราจะเอาเข้าเตาไมโครเวฟเราต้องเอาออกมาปล่อยให้มันให้มันละลายก่อนแล้วเราค่อยเอาไปเข้าไปในเตาเอาไปทำกับข้าวเอาไปผัดเอาไปต้มต่อไป <Yeah. S 1> ร่างกายเราก็มีแค่นี้แหละพิจารณาจะได้ไม่ไปหวงไปหวงมัน <Yeah. S 1> ก็ดูแลไปตามมัตภาพก็พอแล้ว <Yeah. S 1> ไม่ต้องไปซื้อยาวิเศษซื้อสมุนไพรซื้ออาหารวิเศษมากินหรอ กินยังไงมันก็เป็นซากสวพเหมือนกันนะใช่ไหมแว่านี่นี่ลูเข้าใจิะๆเย่สบายแอหลังเข้าใจเลยว่าต้องรู้ตัวพอรู้เดี๋ยวลมัรว่าเดี๋ยวหมาเห่ารู้เ่อรู้ี่รู้ตอนที่ออกมาจากสมาธิตอนนั้นน่าให้รู้เวลารู้อะไรแล้วก็ต้องปล่อยวางอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารู้หมาเห่าก็เฉยเสียงนมพัด ก, ก็เฉย ถ้าทําอะไรได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ต้องต้องปล่อยวางมาเหา่าถ้าหยุดมันเห่าได้ก็หยุดมันถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันเห่าไปถ้าเราแน่วนติ่งไปนานๆไม่ทราบว่า ห, หลับไปหรือว่าอะไรเพรานนาถ้าไม่ทราบว่าแสดงว่าหลับนะถ้ามันทราบมันจะเหมือนกับเราคุยกันอยู่ตอนเนี้ยเราเตืนอน <laughs> ส่วนใหญ่จะนั่งหลับ ก, กันน้อคิดว่านั่งสมาธิกัน ถ้านั่งสมาธิมันจะไม่หลับมันจะตื่นเหมือนกับเราคุยกันตอนเนี้ยต่เรารู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้คุยกันเราอยู่เฉยๆจิตเราเนี่ยมันชอบคุยกับเราอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอมันสงบมันก็ไม่คุยกับเราเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยงนะมันนิ่งไงต้องนิ่งแบบไหนนิ่แบบว่ารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับรู้ตัว่าตอนนี้เราหยุดคิดแล้วเราไม่คิดอะไรแล้วเรานิ่งเฉยเราสักแต่ว่ารู้แล้วก็อิ่มใจสุขใจะ สบายใจไม่ลาคานไม่มีอารมณ์กับอะไรถ้ายังรับรู้เสียงอยู่ก็ไม่ําคาญกับเสียงถ้ารับรู้กับร่างกายก็ไม่ําคาญกับอาการเจ็บของร่างกายบางทีมันลุ้งเ้ามันเข้าไปลึกกว่านั้นมันไม่รับรู้อะไรเลยหายไปหมดเลยเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเหลือแต่ความว่างมันแบบนี้มันจะต้องลงแบบตกหลุมตกบอ่อเหมันตกลงมาจากที่สูง มูกลงมามันลิฟที่ลงมาเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วก็นิ่งเฉย <c oughs> อันนี้เราไปคาดคะเนนไม่ได้ขอให้มีสติอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมไปก็พอแล้วเดี๋ยวมันจะรวมมันก็รวมเองถ้าไม่รวมก็พุโทโธต่อไปสสแสดงว่าสติยังมีกำลังไม่พออาจารย์คะอย่างการนั่งหลาสงบเราปิดติเนี้ยถือว่ายังไม่ถึง <c oughs> ยั ง, ย, งยังต้องต่อไป <c oughs> ยังไม่ถึงกรุงเทพไปแค่บางแสนต้องขับรถต่อไปต้องพูดโทรต่อไป <c oughs> ถ้ายังพูดโทรได้ต้องพูดโทรต่อไปจนกว่ามันจะวุบลงไปแล้วพูดโธมันหยุดไปเองอันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ <c oughs> ๊ก00274ค่ะหายไปไหนต้องเยอะวันนี้ <c oughs> นอ๋อเป็นภ า, ภ า, นาษาเก็บอ๋อทางยูทูบ008 <c oughs> มีต่างชาติเข้ามาไหมวันนี้ยังไม่มีนะอืมีภาษามีคําถามไหมว่ามาคําถามจือคุณลือชาค่ะถ้าทําอาชีพหมอต้องใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อรักษาชีวิตคนไข้การทําลายชีวิตเชื้อโรคผิดสิทธิ์ไหครับไม่ผิดแล้วเชื้อโรคไม่มีวิญญาณเชื้อโรคเป็นเหมือนต้นไม้ตัดต้นไม้ก็ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าต้นไม้ไม่ ฆ่าต้นไม้แต่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณไม่มีตัวรับรู้ไม่มีตัวที่จะมาโกรธ ม, มาโกรธมาเกลียดเราแต่ไปฆ่าคนนี่คนที่ถูกฆ่านี่เขารู้ว่าเราฆ่าเขาเขาก็จะจองเวรจองกรรมกับเราคําถามจากคุณแว็กซิ่งค่ะคาราว่าที่ต้องทํางานหนักๆถ้ากินมื้อเดียวจะสุขภาพแข็งแรงได้ไหมคะก็แล้วแต่ถ้าต้องทํางานมากก็ต้องกินมากไปตาม ความต้องการของร่างกายอันนี้เราไม่ได้พูดถึงคนพวกนี้เราพูดถึงคนที่ไม่ต้องทำงานหนะักคนที่มีเวลาที่จะมาฝึกจิตฝึกใจก็ไม่ควรที่จะกินมากคนที่ยังต้องทำมาหากิน เ, เลี้ยงครอบครัวนี่อะไรอยู่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะมาฝึกจิตได้เขาก็ต้องกินไปตามความต้องการของร่างกายเขาไป คพมถามจากคูนแว็กซิ่งอีกข้อหนึ่งค่ะโยมพยายามนั่งสมาธิเดินจงกรมโดยบริกรรมพุทโธแต่ก็รู้สึกจิตมันมันฟูซ่านบ่อยแต่โยมก็พยายามทำให้ได้ทุกวันทำมาหลายเดือนแต่จิตมันนึกถึงแต่เรื่องงานโยมอยากให้จิตนิ่งค่ะทำอย่างไรดีคะก็ต้องหมั่นพุทโธพุทโธไปหรือหมัน่นเฝ้าดูงานที่เขาเรากำลังทำอยู่ให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้ดูเฉยเฉอย่าไปคิด อย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ทำงานก็ทำให้อยู่กับงานที่เราทำกำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ะน้านหน้าล่างตาวผภาวิผมอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตั ว, ตตวก็ให้อยู่กับงานที่เราทำถ้ามันคิดก็ใช้พุทโธช่วยก็ได้อาบไปก็พุทโธไปอาบน้ำไปก็พุทโธไปคาถามจากคุณจันทิมค่ะ เวลานั่งลมหายใจหายไปทุกครั้งเป็นเพราะอะไรคะมันก็ไม่เที่ยงไงทุกอย่างมันไม่เที่ยง <c oughs> มันหายเพราะว่าเรามองไม่เห็นมันเลยว่ามันหายจริงจริงมันไม่หายหรอกถ้ามันหายเราก็ต้องตายใช่ไหมถ้าลมหายใจไม่มีเราก็ต้องตายถ้าเราไม่ตายก็แสดงว่าเรายัางมีลมหายใจอยู่เห็นแต่ว่าเรามองไม่เห็นมันหรือว่ามันละเอียดหรือเราไม่มองมันก็แล้วแต่ คำถามจากคุณพัชราค่ะขอพรอาจารย์เมตตาอธิบายคำว่าจิตดูจิตด้วยค่ะอ้าจิตก็เป็นทุรู้ไงตอนนี้จิตไม่ไมย่ยอมดูจิตมันชอบไปดูขนมนมเลยไปดูกระเป๋ารองเท้าการยมันดึงกลับเข้ามาให้มันดูจิตเนี่ยต้องใช้พุโทโธเนี่ยที่เราใช้พุโทโธนี้เพื่อดึงจิตให้กลับมาดูจิตให้มาดูอารมณ์ของเราอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตดูความโลภความโกรธความหลง เพื่อที่เวลามันเกิดขึ้นมาเราจะได้หยุดมันได้ตอนนี้เราไม่เห็นความโลภความโกรธความหลงกันเราเห็นแต่กาะเป๋าเห็นแต่ขนมเห็นแต่กาแฟ<ม>เวลาโลภกาแฟก็ไม่เห็นความโลภเห็นแต่กาแฟอาจารย์นะ<ม>แต่ถ้าเรานึงจิตเข้ามาข้างในเวลาเกิดความโลภเราก็จะได้เห็นว่าอตอนนี้เรากําลังโลภกาแฟ<ม>อย่าไปดื่มกาแฟวิธีที่จะหยุดความโลภกาแฟก็คืออย่าไปดื่มกาแฟ พอเราไม่ดื่มกาแฟแต่อไปความโลภอยากดึ่มกาแฟมันก็จะหายไปแต่ถ้าเห็นพอเห็นกาแฟอยากจะดื่มกาแฟก็ไปดื่มอันนี้ไม่ได้ไม่แสดงว่าไม่เห็นความโลภเห็นกาแฟแทนความโลภมันก็ไม่มีวันหมดเห็นหมคนกินกาแฟถ้วยเดียวมีไหมต้องกินไปเรื่อยใช่ยไยตจนก่อจะตายนะั่นถึงจะหยุดกินตายแล้วค่อกลับมากินใหม่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมากินใหม่ เพราะความอยากมันไม่หมดแต่ถ้าเราดูจิตเวลามันโลภอยากดื่กาแฟาก็ไม่ดื่มมันหยุดมันเสียหยุดความโลภเสียต่อไปความอยากดิมกาแฟาก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องกลับมาดื่กาแฟในชาติหน้าอีกต่อไปคาถามจากคุณวินค่ะรูปตกวางไปหนึ่งครั้งจิตก็เป็นสมาธิเห็นแสงสว่างจ้าเหมือนดวงอาทิตย์สองหน้า สักพักแสงหายกลายเป็นความมืดเป็นอย่างนี้สลับกันไปผ ม, ผมพยายามพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉยๆไม่ไม่น่ามีอะไรดีใจแต่พอสักพักก็มีนิวัณ์เข้ามาแทรกคือสงสัยว่าแสงที่เห็นเป็นปรากฏการทางจิตหรือแสงจากธรรมชาติกันแน่พยายามคิดว่ามันคือวิจิจิตริชาแต่ผมเป็นคนที่สงสัยสุดท้ายก็ออกจากสมาธิครับขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายด้วยครับ ก็ไม่ควรที่จะไปสนใจคนจะอยู่กับพุทธโธไปอะไรจะปรากฏขึ้นมาอย่าไปคิดอย่าไปวิภาควิจารถ้าคิดวิภาควิจารณ์มันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่นิ่งงั้นอะไรจะโผล่ขึ้นมาก็พุทธโธไปอย่าทิ้งสติอย่าทิ้งพุทธโธพอทิ้งพุทโธแล้วมันคิดคิดแล้วเดี๋ยวมันก็ฟุ้งเดี๋ยวมันก็นั่งไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องออกจากสมาธิไป คำถามเจ้ า, า, จาคุณสีเมืองค่ะจิตสามารถออกจากร่างไปเที่ยวได้หรือเปล่าครับได้เวลานอนนี่เวลานอนมันก็ไปเที่ยวในในโลกทิพย์ถ้าฝันดีก็ไปสวรรค์ฝันร้ายก็ไปอบายจิตมันไม่เคยอยู่ในร่างกายหรอกจิตมันเพียงเชื่อมต่อกันเหมือนกับหุ่นกับเช่นเครื่องบินสมัยเนี้ยเครื่องบินที่เขาใช้เล่นกันเนี้ยเครื่องบินก็อ่าโดนใช่ไหม เขาเขาเชื่อมต่อกันด้วยสัญญาณวิทยุใช่ไหมคนควบคุมโดรนก็สามารถสั่งให้มันบินไปนู่นมานี่ล้วมันก็ถ่ายภาพนล้วมันก็ส่งกลับมาให้คนที่ควบคุมดูว่าตอนนี้เห็นภาพอะไรอยู่แล้ร่างกายเราก็เป็นเหมือนโดรนเข้าใจไหมใจเราก็เป็นเหมือนคนควบคุมเนี่ยใจเราไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ใจเราติดต่อกับร่างกายด้วยกระแสของจิตเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกนิ้วกาย วิญญาณทางตามันก็จะรับภาพส่งไปให้ใจวิญญาณทางหูมันก็จะรับเสียงส่งไปให้ที่ใจวิญญาณทางจมูกมันก็รับกลิ่นไปวิญญาณทางลิ้นมันก็รับรสไปวิญญาณทางร่างกายมันก็รับความสิ่งที่มาสัมผัสที่ร่างกายเช่นหนาวเย็นแข็งอ่อนมันก็ส่งไปที่ใจใจก็รับรู้เท่านั้นเองแล้วก็ใจส่งส่งส่งคำสั่งมาด้วยคําคิดว่าอ กาแฟมาแล้วหรืออ่ะไปดื่มกาแฟหน่อยซินี่กระจายเป็นคนสั่งแต่ใจไม่ได้ดื่มไอ้คนที่ดื่มก็คือร่างกายไอ้โดนเนี่ยเป็นตัวดื่มเข้าใจไหมแต่ไอ้ครัวคนควบคุมโดนนี้มันไม่ได้ดื่มแต่มันสัมผัสรสของกาแฟได้สัมผัสกลิ่นของกาแฟได้เพราะมันรับมีตัวมกกันรับรู้กลิ่นรับรู้รสแล้วมันก็เกิดรู้ความรู้สึก อ, อิ่มไปกับเวลาที่ไอ้ไอ้โดนนี่มันกินต่อไปแต่ คนควบคุมนี้ไม่ได้กินมีแต่ร่างกายกินไงมันถึงกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะมันไม่อิ่มมันอิ่มเดียวเดียวมันอิ่มปลอมถ้าจะให้อาหารคนคนควบคุมก็คนควบคุมก็ต้องไปกินอาหารของตัวเองสิใช่ไหมอันนี้คือจิตกับร่างกายเวลานอนหลับก็เหมือนกับเราเอาเอาโดนวางไว้เฉยๆคนควบคุมก็ไปทําอะไรอย่างเห็นได้ใช่ไหม แต่เวลาที่เราควบคุมโรนีน้เราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องคอยควบคุมมันเวลาที่เราตื่นนี่จิตต้องมาคอยคุมร่างกายตลอดเวลาคุมให้มันเดินให้มันยืนให้มันเดินไปนู่นมานี่ทานู่นทานี่แต่เวลานอนหลับนี่ไม่ได้ใช้ร่างกายนะจิตก็ไปเที่ยวได้นะไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไปฝันดีไปในรูปแบบของความฝันฝันดีก็ไปสวรรค์ฝันไม่ดีก็ไปอาบาย แล้วฝันดีฝันร้ายก็อย <ac> ู bueno whatever, behold, <S <S ่ที่บุญที่บาปเราทำไว้ทำบุญไว้มันก็จะฝันดีทำบาปมันก็จะฝันร้ายเพราะเวลาเราทำอะไรมันจะบันทึกไว้ในใจมันจะเหมือนถ่ายวีดีโอไว้พอเวลาเรานอนหลับมันก็จะเอาวีดีโอที่เราไปถ่ายนี้มาฉายให้เราดูใหม่ถ้าเราไปทำบุญมันก็จะเอาเรื่องดีๆมาฉายให้เราดูถ้าเราไปทำบาปมันก็จะเอาเรื่องไม่ดีมาฉายให้เราดู มันก็จะเป็นฝันดีฝันร้ายไปในขณะที่เรานอนหลับถ้าเรานอนหลับฝันดีก็แสดงว่าเรากำลังรับผลบุญถ้าเรานอนหลับฝันร้ายก็แสดงว่าเรากำลังรับผลบาปแล้วพอร่างกายตื่นขึ้นมาเราก็เลิกฝันกลับมาควบคุมร่างกายนี้ต่อไปแต่ถ้าเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็จะฝันยาวล่ะฝันยาวไปสวรรค์ยาวไปอบายยาว จนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็กลับมาเติ่นขึ้นมาใหม่มาควบคุมร่างกายอใหม่ต่อนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดไม่ฝันเจิตนนะท่ก็ไม่ฝันนั่นเองเลยจะไปไหนมันก็อยู่ที่เดิมมันไม่ไปเที่ยวอนะถ้าจิตมีสมาธิบางทีมันก็ไม่ฝันมันก็สงบนิ่งเฉยเฉยสบาย มีอะไรต่อคำถามจากคุณอมรรัตสัตงานหนักที่ต้องเผชิญของการเกิดมานบนโลกนี้มีสองครั้งคือข้อหนึ่งตอนใกล้ตายข้อสองตอนเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติแล้วถ้าหากภาวนา ย, ยังไม่ดีพอหนึ่งอเซ็นจะผ่านโจทย์สองข้อนี้อย่างไรคะก็ไปตามกำลังของบุญของบาปที่เราทำนะถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็ส่งเราไปสวรรค์ ถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็ส่งเราไปอบายคํถาถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะการนั่งในห้องพระเงียบๆพิจารณาดูกายดูจิตแบบลืมตาบุญที่ได้จากการบาเพ็ญเพียรจะได้มากเท่ากับการหลับตานั่งสมาธิไหมคะก็แล้วแต่ผลน่ยถ้าเราพิจารณาร่างกายแล้วเราปล่อยวางได้ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเราก็ได้บุญมากกว่านั่งสมาธิ ถ้าเราพิจารณาแล้วยังปล่อยวางไม่ได้เราก็ไม่ได้อะไรเลยก็สู้การนั่งสมาธินั่งหลับตาไม่ได้นั่งหลับตาจิตได้ความสงบได้ความสุขแต่มันก็อยู่ที่ผลของการปฏิบัติถ้าเราดูตาแล้วพิจารณาร่างกายแล้วปล่อยวางได้พิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ไม่เดือดร้อนไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็ไม่เป็นไรเป็นก็เป็น ยิ้มได้เฉยๆหมอบอกเหลือสามเดือนก็ดีไม่เป็นไรไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ถ้าพิจารณาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเรากลัวไม่เวลาคนอื่นเขาเจ็บเวลาคนอื่นเขาตายล้วเรากลัวไหมไม่กลัวใช่ไมเพราะมันไม่ใช่ของเราเทำไมร่างกายที่ไม่ใช่ของเราเราไปกลัวทาไมเพราะเราไปคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรา เราต้องนั่งพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของพ่อแม่ให้เรามาไม่ใช่เหรอกายเป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเราเป็นคนสร้างหรือพ่อแม่เราเป็นคนสร้างเราเป็นมาจากอะไรร่างกายเนี้มันมาจากอาหารไม่ใช่จากน้ําที่เราดื่มเข้าไปไม่ใช่จากอากาศที่เราหายใ จ, ใจเข้าไปไม่ใช่นจากความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายมันก็เป็นแค่ดินน้ํำลมไฟ เวลาร่างกายตายไปมันไปที่ไหนะมันก็ไปดินไปกลับไปไปหาดินกลับไปหาน้ำกลับไปหาลมกลับไปหาไฟแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราก็จะไม่กลัวมันไม่กลัวมันมันจะแกะ่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับเราเห็นร่างกายของคนอื่นแก่เจ็บตายเราก็เฉยเฉย ฉันนายร่างกายเราแก่เจ็บตายมันก็เหมือนกันถ้าเราพิจิตรถ้าเราเห็นด้วยปัญญาอย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของขวัญพ่อแม่ให้เรามาเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นเหมือนโดรนตัวหนึ่งใช่ไเราเป็นจิตผู้มาควบคุมโดรนนี้เท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดโดรนนี้มันเสียเราเสียไปกับมันหรือเปล่าใช่ไหมเวลาร่างกายเสียเราเสียไปกับมันหรือเปล่า ไม่เสียเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เสียเราไม่ได้ตายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะไปกลัวมันทําไมถ้าเรานั่งคิดแบบนี้ได้แล้วปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ก็จะดีกว่านั่งนั่งหลับตานั่งสมาธิแต่ส่วนใหญ่ถ้านั่งหลับตานั่งสมาธิไม่ได้ก็จะไม่มีทางที่จะมานั่งพิจารณาอย่างนี้ได้เพราะมันยากกว่าการหลายเท่า นั่งสมาธิมันแค่พุทโธพุทโธคำเดียวเนียยังทำไม่ได้เแล้วจะมานั่งพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยจะนพิจารณาได้เลยเราจะปล่อยวางมันได้เลยคำถามจากคุณยามาค่ะตอนรวจแล้วเวลาจะทำสมาธิมันชอบมีเสียงว่าเราทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้จึงอยากได้อุบายมาแก้จิตไม่ให้คิดตามเสียงนั้นครับก็อย่าไปทาผิดเลยล้มากจะ พอถึงบอกต้องรักษาศีลให้บอ่อยสุดมันจะช่วยให้การนั่งสมาธิถ้าศีลเราไม่บอ่อยสุดเวลานั่งมันก็จะมาวิตกกังวลกับข้อที่เราผิดต่างๆให้เราไปทำนั่นมาทำนี่มามันก็จะวิตกกังวลยัน้นศีลเป็นพื้นฐานของการนั่งสมาธิต้องรักษาศีลให้บอ่อยสุทธให้ได้และเวลานั่งจะไม่มีความรู้สึกความคิดเกี่ยวกับการกระทําผิดต่างๆตามมา คำถามจากคุณพัทละพง์ค่ะการใช้สมมุติบัญญัติเพื่อถอนสมมุติบัญญัติหมายความว่ายอย่างไรหรือครับเอาทุกอย่างที่เรารู้นี่นเป็นสมมุติทั้งนั้นนี่ยใช่ไหมสิ่งต่างๆที่เรารับรู้นี่มันเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเช่นผู้หญิงผู้ชายนี่มันเป็นสมมุติเข้าใจไหมนะเราเห็นร่างกายแบบนี้เราว่าเป็นผู้หญิงเห็นร่างกายแบบนี้เป็นผู้ชายแต่ความจริงแล้วผู้หญิงผู้ชายมันก็อาการ32เหมือนกัน มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกเหมือนกันอ่า น, นี่ก็ไม่อันนี้ไม่ใช่สมมุติะอาการสามสิบสองนี้ไม่ใช่สมมุติแต่หญิงชายนี้สมมุติพ่อแม่นี้สมมุติชื่อนายกนายขอนี้สมมุติตั้งชื่อได้ก็เปลี่ยนได้วันนี้สมมุติว่าเป็นนายกพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นนายขอก็ได้ออันนี้เป็นสมมุติไม่ใช่เป็นความจริง แต่เรามาศึกษาให้เรารู้ทันว่าสมมตินี่มันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงคืออาการสาสิบสองความจริงคือตายลัก <Yeah. S 1> เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นความจริงแต่เราไม่มองความจริงกันเราไปมองว่าคนนี้ชื่ออะไรเป็นหญิงเป็นชายมีการศึกษาที่ไหนพ่อแม่เป็นคนฐานะอะไรพ่อแม่เป็นหมอหรือเป็นพยาบาล <Yeah. S 1> คิด ไปเห็นแต่สมมติทั้งนั้นไม่เห็นความจริงของร่างกายไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นแค่อาการ32ทำมาจากดินน้ำลมไฟเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เห็นกันเราอะไรต้องมาแก้มันเอาสมมตินี้ก็เป็นสมมติแต่มันสมมติจริงที่เกิดแก่เจ็บตายนี้ก็สมมติเหมือนกันเป็นภาษาที่เราใช้ใช้มาสอนเราให้เห็นความจริงของร่างกาย อย่าไปเห็นความปลอมของร่างกายตอนนี้เรามักจะไปมองที่ของปลอมกันมองว่านามสกุลอะไรเป็นคนไทยหรือเป็นคนฝรั่งเป็นหญิงหรือเป็นชายมีฐานะการเงินการทองในระดับไหนมีการศึกษาในระดับไหนไปดูคุณสมบัติเหล่านี้แทนที่จะมองคุณสมบัติที่เป็นของจริงก็คือร่างกายคืออาการสาสมองไม่เห็นเลย มองไม่เห็นกระดูกไม่เห็นโครงกระดูกไม่เห็นตับไม่เห็นไตไม่เห็นหัวใจไม่เห็นปอดไม่เห็นอะไรเห็นแต่หนังหุ้มกระโหลกสีรษะเท่านั้นเองแล้วก็ไปหลงกับหนังที่มันหุ้มกระโหลกสีรษะว่าสวยว่างามหลงหลายข้างใครอยากได้เขามาเป็นแฟนแต่ถ้าลองถลกหนังออกมาดูอย่ายากจะได้เป็นแฟนหรือเปล่ายใต้ผิวหนังผิวหน้านี้จะมีอะไร ก็ เ, เห็นกระโหลกเราไหมดูกระจกทีไรนี่ก็เห็นกระโหลกเราบ้างไหมเปล่านะไม่เห็นเลยนะแปลกนะทั้งทงี่มีอยู่ตั้งแต่เกิดเนนะี่ยข้อกระโหลกบ้างเลยว่างๆนะอ่าต่อไปคําถามฝากถามค่ะคนที่นอนหลับแล้วละเมอพูดจิตเป็นอย่างไรคะก็จิตยังฟุ้งอยู่ไงก็ลเลอะเกียงคิดอยู่มันก็ คิดมาในฝันเวลานอนหลับมันก็ยังพูดยังคุยกับตัวเองไปคำ ถ, ถามจากคุณธนวัดีค่ะการที่รู้รู้สึกใจไม่สงบแต่พิจรารณาตัวเองไม่รู้ว่าอยากอะไรถ้าไม่อยากอะไรแล้วทําไมไม่สงบคะหรือเป็นเพราะมองไม่เห็นว่าอยากอะไรแต่จริงๆแล้วยังมีความอยากอยู่คะก็มีแหละเพียงแต่ว่าปัญญาเราไม่ไม่ไม่แหลมคมพอ ก็เหมือนกับกล้องขยายเนี่ยกล้องขยายอาจจะขยายกําลังขยายไม่พ อ, อยังไม่เห็นเชื้อโรคเชื้อโรคมันตัวเล็กเราก็ต้องขยายกล้องให้มันเห็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเ ค, เคยใช้กล้องจุลทรรศน์มเคยเียนหนังสือใช้กล้องไหมมันมีระดับขยายหลายระดับตอนตอเราใช้กําลังสองไม่พอก็กําลัง10บกาลังร้อยแ้วไอ้ของเล็กๆ น, น้อยๆที่เราไม่สามารถมองเห็นมันก็จะมองเห็น อันนี้ปัญญาเราหยาบมากปัญญาเรามันมีพลังดูต่ํามากมันเลยมองไม่เห็นความอยากที่ละเอียดที่มันฝังอยู่ในใจงั้นอย่าไปดูมาเลยตอนนี้ขั้นปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาดูมันเราหยุดมันดีกว่าใช้สติหยุดมันดีกว่าถ้าไม่สบายใจก็พุโทโธพุโทโธไปดีกว่าแล้วรับรองได้ว่ากิเลสจะละเอียดขนาดไหนมันก็สู้พุโทโธไม่ได้ถ้าเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็สงบ สงบแล้วความรู้สึกไม่สบายใจมันก็จะหายไปคาถามจากคุณธนวดีค่ะความเหงาเกิดจากขัดธรรมะข้อไหนคะความอยากมีเพื่อนไงอยากมีแฟนพออยู่คนเดียวมันก็เหงาพออยากมีเพื่อนอยากมีแฟนแต่ถ้าไม่มีความอยากมีเพื่อนอยากมีแฟนอยู่คนเดียวจะไม่รู้สึกเหงาไม่เชื่อเรานำาทําใจให้สงบดู ทำใจให้สงบแล้วความอยากมีเพื่อนมีแฟนมันจะหายไปมันอยากจะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่าอยู่มีกับมีแฟนแต่ถ้าคนที่ไม่มีความสงบนี้อยู่คนเดียวมันจะเหงาเพราะความอยากมันมันทำให้เหงาแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วเวลาจิตสงบไม่มีความอยากมันจะไม่รู้สึกเหงามันจะรู้ว่าอยู่คนเดียวนี่ดีกว่าอยู่หลายคนอยู่หลายคนแล้วเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวต้องมีเรื่องขึ้นมา เดี๋ยวจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ขึ้นมานะอยู่คนเดียวดีกว่าแต่ถ้าจิตไม่สงบอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อยู่คนเดียวก็เหงาว้าเวเศร้าส้อยน้อยเหงาเออเต้องมีแฟนต้องมีเพื่อนคำถามใจคุณศเมืองค่ะสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้มีจิตทั้งหมดหรือเปล่าคบมีแต่มนุษย์กับสัตว์เลร้ยงล่าเนี่ยที่มีที่มีดวงวิญ ญ, ญาณ นอกนั้นก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่มีเช่นต้นไม้ใบหญ้าหรือเชื้อโรคอะไรต่างๆของพวกนี้ไม่มีดวงวิญญาณคำถามจากคุณนันทิดาค่ะขณะปฏิบัตินั่งดูกายเมื่อเกิดทุกขเวทนาเมื่อมีอาการปวดก็รับรู้อาการปวดไปตามจุดต่างๆจากนั้นจิตรู้สึกทรมานกับอาการทางกายก็กาหนดไปว่าทรมาน อยากขยับจนความทรมานหายไปลูกปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะถ้าความทรมานหายไปก็ถูกต้องถ้าไม่หายก็อาจจะไม่ถูกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความทรมานมันเกิดจากอะไรเราก็ต้องค้นหาดูว่าจิตเราทรมานเพราะอะไรเพราะเราอยากให้มันหายใช่ไหมถ้าอยากให้มันหายมันก็จะทรมานถ้าไม่อยากให้มันหายมันก็จะไม่ทรมาน เราต้องมาหา ing, it, e dye, were, ม Still, ันเจอตัว like ok like. ความอยากนี้เราถึงจะเห็นต้นเหตุของความทรมานใจพอเราหยุดความอยากให้มันหายได้ก็คืออยู่ต่อไปมึงอยากจะอยู่ก็อยู่ไปไม่อยากให้มึงหายเหมือนคนที่เราคนที่เราชอบเราก็ไม่อยากให้เขาไปใช่ถ้าคนที่ไม่ชอบนี่ก็อยากให้เขาไปเราก็ไม่ไปเราทรมานใจไหต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบความเก็บนี่ก็เหมือนกับคนที่เราไม่ชอบเราก็อยากให้มันหาย แต่มันไม่หายพอไม่หายเราก็ทรมานใจเราก็เปลี่ยนใจสิอย่าไปไม่ชอบมันสิไปชอบมันไปรักเขาสิพอชอบนะมันก็อยู่ได้อยู่ด้วยกันได้หัดเป็นคนซาดิสหน่อยหัดชอบความเจ็บหน่อยต่อไปก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทรมานกับความเจ็บถามว่าเจ็บแค่นี้เหรอมีเจ็บกว่านี้ไหมถ้ามันเลยมาหวอดดีฉันเหมือนคน อันนี้คนกินพริกไะคนท um ี่ชอบกินพริกนี่เขาทรมามณ์นะกินกี่เม็ดเาก็ไม่ทรมารณเนี่ยแต่คนท anyway, ี or, obile, ่ไม right? yeah. ่ชอบกินพริกนี่กินเม็ดเดียวก็แทบน้ําตาไหลไม่ไหวแล้วนั่นอยู่ที่ชอบไม่ชอบนถ้าอยากจะแก้ก็ต้องแก้ที่ชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ต้องทําให้มันชอบถ้าชอบก็ต้องทําให้มันไม่ชอบกินชอบใครอก็อยากให้เขาอยู่แต่เวลาเขาจะไปเราก็จะทุกข์ใช่ไหม กาหันไม่ชอบมันเลยถ้ามันอยากจะไปก็เกลียดมันเลยไปเลยอพอมันไปเราก็จะไม่ทุกข์นะนะต้องรู้จักเปลี่ยนใจเปลี่ยนจากชอบมาเป็นไม่ชอบจากชอบไปชอบจากชอบไปเป็นไม่ชอบจากไม่ชอบกลับมาชอบเนี่ยใจเราจะไม่ทุกข์เวลาเจออะไรที่เราไม่ชอบต้องรีบเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนให้มันชอบเวลาเจออะไรที่ชอบต้องเปลี่ยนให้มันไม่ชอบในเวลากินอาหารเจออาหารชอบอย่าไปกินมัน ไปกินอาหารที่ไม่ชอบอแล้วต่อไปจะกินอะไรก็ได้อาหารชอบก็กินได้อาหารไม่ชอบก็กิกนได้และควรให้จิตอยู่ที่ใดดีคะระหว่างกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหรืออยู่ที่อาการทางกายต่อดีคะก็อยู่ที่ลมดีกว่าอย่าไปดูอาการเจ็บยิ่งดูยิ่งอยากให้มันหายอย่าไปสนใจมันให้กลับมาดูที่ลมหายใจอยู่กับลมหายใจและอยู่กับพุโทโธไป แล้วยังน้อยมันก็จะไม่มีความอยากให้มันหายเพราะเมื่อเราไม่ไปรับรู้ความเจ็บความอยากให้มันหายมันก็จะไม่เกิดมันจะเกิดเฉพาะเวลาเราไปรับรู้มันนะครอ่าว่ามาเคยนั่งแล้วบอกว่าเจ็บนะแล้วก็ที่ที่เคยเรียนสร้างมาก็ให้รู้ว่าเจ็บเจ็บเจ็บเพมันหายเจ็บอันนั้นถูกต้องไหมคะถ้ามันไม่ทรมานนั่งได้ต่อไปก็ถูกต้องครับแสดงว่าไม่ได้อยากให้มันหายเจ็บตอนนั้นไม่ได้ใช้ อะไรใช้คําคําบริการเจ็บเจ็บไปแทนมันก็หยุดความอยากได้หรือจะใช้พุทโธแทนก็ได้หรือดูลมดูลมแทนก็ได้ถ้าพุทโธหายใจให้ท้องของแล้วพุทหายให้ท้องแล้วก็โทรให้ยุบดูกันคล้องกันได้ได้ยุบหนอพองนอเขาเรียกคำถามจากคุณ อ, อนุบค่ะการบริการพุทโธเหมือนกับการท่องพุทโธในใจไหมครับ ก็นั่นแหละให้ท่องพุทโจในใจไม่ได้ให้ท่องที่ปากอให้บริกรรมในใจเวลานั่งสมาธิไม่ต้องออกเสียงพุโทโธพุโทโธให้ท่องไปภายในใจคําถามจากคุณเอกกี้ค่ะอยากให้พระอาจารย์เมตตาเล่าเรื่องของหลวงตาบัวซักเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติของท่านครับก็ไปอ่านประวัติของท่านเองมีเยอะแยะหนังสือประวัติท่านมีทั้งเล่มให้เรามาเล่าทําไม คำถามจากคุณคุณณราค่ะสมาธิสามารถรักษาโรคทางกายได้ไหมครับไม่ได้หรอกนอกจากว่าถ้าโรคทางกายมันเกิดจากความเครียดจากการจากความไม่สงบ ก, การนั่งสมาธิก็ทำให้คาหายเครียดทำให้ใจสงบโรคที่เกิดจากความไม่สงบทางใจมันก็หายได้แต่ถ้าเป็นโรคทางเชื้อโรคนี้มันก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเหมือนถึงจะหายได้ ถ้าโรคเกิดจากการบกพร่องของของร่างกายก็ต้องไปแก้ที่ความบกพร่องของร่างกายเหมือนก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีหมอมานั่งสมาธิกันทุกคนใช่ไหมพ อ, อเป็นโรค ก, ก็นั่งสมาธิกันหายจากโรคทุกชนิดเลยโรคบางอย่างหายได้ถ้าโรคเครียดเนี่ยถ้าโรคเครียดโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าใช้สมาธิมันหายได้จิตสงบแล้วมันจะหายซึมเศร้าจะหายเครียดนะ แต่ถ้าโรคอย่างอื่นเช่นโรคติดเชื้อโรคเอดสนีน่นั่งสมาธิไงก็ไม่หายว่ามาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิท่องคุตโตค่ะมันต้องสัมพันธ์กับลมหายใจหรือเ่าคะไม่จําเป็นเอาอย่างเดียวก็ได้หรือจะสัมพันธ์ก็ได้แล้วแต่ถนัดบางคนชอบเอาสองอย่างมารวมกันบางคนเอาอย่างเดียวแล้วแต่เราถนัดคําถามจากคุณมุก ค, ค่ะขณะนี้เฝ้าคุณแม่ที่เป็นมะเร็ง แต่คุณแม่ไม่ทราบว่าท่านเป็นแต่คุณหมอแจ้งว่าพบเป็นพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วไม่ทราบว่าควรแจ้งให้คุณแม่ทราบไหมคะคุณแม่รู้ตัวมีสติตลอดเวลาค่ะแต่เขาแต่เข า, า, าไม่ถามก็ไม่ต้องบอกก็ได้ถ้าเขาอยากจะรู้ก็บอกเขาไปร่างกายของเขาเขาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้คำถามจากคุณสมศรีค่ะเวลานอนหลับฝันไปเรื่อยเปื่อย อย่างนี้เป็นเพราะไม่มีสมาธิไม่มีสติใช่ไหมเจ้าคะอ่าก็สติน้อยสมาธิน้อยก็ฝันก็คิดจิตก็คิดปรุงแต่งไปไม่ว่าจะเตื่นจะหลับมันก็ฟุ้งไปเวลาเตื่นก็ฟุง้งเวลาหลับก็ฝันคำถามจากคุณอัญชลีค่ะเคยได้ยินว่าไข่ของสัตว์มีเชื้อชีวิต ถ้านําไข่มาทําอาหารจะเป็นปานาติบาตไหมคะถ้าไข่นะมันยังเกิดได้ก็มันก็เป็นของที่มีชีวิตก็เหมือนกับเป็นการฆ่าสัตว์คำ ถ, ถามจากคุณพานุพงค่ะการมองไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเหมือนกับการดูอสุภะไหมครับก็เหมือนกันอสุภะก็ไม่มีผู้หญิงผู้ชายการดูอาการสามสิบสองนี่มันก็ไม่มีผู้หญิงผู้ชาย เห็นแต่ผมเห็นแต่ขนเห็นแต่เล็ดเห็นแต่ฟันเห็นแต่หนังเห็นแต่เนื้อเห็นแต่เอ็นเห็นแต่กระดูกมันก็ไม่มีผู้หญิงผู้ชายค่ะคำถามจากผู้วิประสงค์ออกนามค่ะดูแลพ่อแม่แต่ไม่ได้มาทำบุญที่วัดจะได้บุญต่างกันอย่างไรคะก็แล้วแต่ว่าเราเสียมากเสียน้อยไงถ้าเราเสียเงินมากเราก็จะได้บุญมากเสียเงินน้อยเราก็ได้บุญน้อย ถ้ามาทําบุญที่วัด น, นอกจากได้ทําบุญแล้วเรายังได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วถ้าเราอยู่เราก็จะได้ปฏิบัติธรรมด้วยแต่ก็เราสามารถทําได้ที่บ้านเหมือนกันอย่างนี้อทำเนี่ยงดูพ่อแม่เสร็จแล้วก็เปิดธรรมะฟังกับพ่อแม่ไปแต่เราก็นั่งสมาธิกับพ่อแม่ไปก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันยังการทําบุญนี้ไม่ได้อยู่ที่ที่แล้ว อ, อยู่กับใครอยู่ที่ว่าเราทําบุญชนิดไหน ถ้าเราทำทานกับพระทำทานกับพ่อแม่เราก็ได้ทานเหมือนกันถ้าเรานั่งสมาธิกับพ่อกับแม่นั่งสมาธิกับพระก็ได้สมาธิเหมือนกันถ้าเราฟังธรรมะกับพ่อกับแม่ฟังธรรมะกับพระเราก็ได้ธรรมะเหมือนกันคำถามจ้าคุณวันดีค่ะลมหายใจคือสิ่งสมมุติในชีวิตใช่หรือไม่คะมันไม่สมมติอะมันของจริงไม่มีลมหายเราไปสมมุติว่าไม่มีลมได้เปล่าไป ถ้าชื่อชื่อลมนี้แล้วเ ร, า, เรวาสมมุติได้เพราะภาษาไทยเราก็เรียกว่าลมภาษาฝรั่งก็เรียกอีกอย่างหนึง่งภาษาแขกเขาก็เรียกอีกอย่างอันนั้นคือสมมุติแต่ตัวลมนี่มันตัวจริงแต่ชื่อของลมนี่มันเปลี่ยนไปตามภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกลมอย่างหนึง่งภาษาไทยก็เรียกลมอย่างหนึง่งอันนี้ก็สมมุติแต่ตัวตัวลมจริงๆนี่ไม่ใช่สมมุติตัวลมนี่มันตัวจริงของจริงเหมือนกับร่างกายเรานี่ก็เป็นตัวจริงของจริง แต่ภาษาที่เราไปเรียกน่างกายนี้มันเป็นสมมุติคนจีนเขาเรียกผู้หญิงอย่างหนึ่งคนไทยก็เรียกผู้หญิงอย่างหนึ่งค่ะำถามจากคุณรัชสาค่ะดวจิตของคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะวนเวียนอยู่กับเรานานไหมคะถ้าในชีวิตประจําวันการนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขาจะทําให้เขามีความสุขใช่ไหมคะก็จะอยู่กับเรานานหรือไม่นานอยู่ที่ความผูกพันเาที่เขามีกับเราอ่ ถ้าก็มีความผูกผันกับเรามากเขาอาจจะกลับมาเกิดเป็นตุ๊กแกในบ้านเราก่อนก็ได้หรือเป็นจิ้งจุกหรือเป็นมแมลงเพราะเขายังรักยังห่วงยายใครอยู่อย่างที่มีเรื่องในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งท่านรักกีวรท่านมากเวลาท่านตายไปท่านก็กลับมาเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรของท่านอุตตมะเจ้ามียามอย่างทราบก็รู้ว่าตัวเลนนี่คือพระที่ตายไป แต่ักจีวรหวงจีวรพระเจ้าก็เลยบอกว่าจีวรเท่นี้พระอย่าเพิ่งเอาไปใช้นะสมัยก่อนพระต้องเอาจีวรของพระที่ตายไปมาใช้เพราะจีวรมันไม่พอไม่พอใช้กันพอใครตายพระรูปไหนตายไปจีวรยังดีอยู่ก็เอามาใช้ต่อแต่พอดีจีวรเท่นี้เจ้าของก็ยังห่วงอยู่ยังมาเป็นตัวเลนเกาะอยู่แต่พอหลังจากนั้นเจวันมันตายไป พอตายไปแล้วพระเจ้าบอกว่าเจ้าของมันไปแล้ว อ, อยากจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้หรือเศรษฐีคนหนึ่งห่วงสมบัติเวลามีสมบัติก็ไปฝังดินหมดม้แต่ลูกก็ไม่บอกไม่อยากให้ใครลูกก็ไม่อยากให้มีสมบัติมีงานมีทองก็ไปขุดหลุมฝังไว้ฝังไว้พอตายไปก็กลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านของตัวเองพระพุทธเจ้าก็อย่างทราบเห็นว่าเศรษฐีนี้หมาตัวนี้เป็นเจ้าเป็นเศรษฐีที่ตายไป ก็เลยบอกลูกๆในบ้านว่าเลี้ยงหมาตัวนี้ให้ดีนะอย่าให้มันไปไหนนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติของพ่อของเธอให้นะเดี๋ยวไม่นานมันก็ไปขุดเพราะมันคิดถึงสมบัติไงหมามันก็ไปหาสมบัติที่มันคอยฝังไว้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความผูกพันของใจว่ามีมากมีน้อยกับสิ่งที่ตนเองได้ทําไว้ อย่งไรประวัติหลวงปู่มั่นท่านก็เล่ามีสองพี่น้องผู้หญิงได้ทําบุญสร้างเจดีย์ไว้สร้างไม่เสร็จดวงวิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่แถวเจดีย์นั่นอยู่หลวงปู่มั่นท่านไปนั่งสมาธิแถวนั้นก็ไปพบดวงวิญญาณสองดวงนี้ก็ถามเขาว่าทำไรแถวนี้เขาบอกตอนนี้เขามีชีวิตอยู่เขาได้ทําบุญร่วมสร้างเจดีย์เขาอยากจะให้มันเสร็จก็ เ, เลยเป็นห่วงมันเขาตายไปก่อนเล่มาติดตามดูเจดีย์ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักที อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความผูกพันของจิตแต่ละดวงเลยสองสามสองสามคำถามคำถามจ้กคุณเอกี่ค่ะบนสวรรค์มีการฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมไหมครับถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอาหารหันต์ที่แสดงธรรมกับเทวดาได้ก็มีอย่างพระพุทธเจ้านี่แสดงธรรมให้เทวดาฟังทุกคืนพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้กับญาติโยมตอนบ่ายสอนธรรมะให้กับพระภิกษุตอนค่ํา แล้วตอนเดึกท่านก็แสดงธรรมให้กับเทวดาหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็มีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมกับท่านอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้ก็ไม่สามารถที่จะแสดงธรรมให้กับเขาได้คําถามจากคุณมีสุขค่ะเราจะหลุดพ้นจากการเกิดการตายได้อย่างไรครับก็ไม่ต้องต้องตัดความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรส พออย่างในรูปเสียงกลิ่นลดก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายพอร่างกายนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดต่อไปก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้ถือศีลแปดได้ไม่ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้บวชเป็นพระได้ถ้ากรรจัดมันได้อย่างถาวรตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เนือยข้อหนึ่งอ่ะออคํะะาถามจากคุณความฝันค่ะกรณีไปพักที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งพบว่ามีมาแมลงเม้าในชักโคกมากมายแต่เราต้องล้างทางําความสะอาดและใช้งานจึงจําเป็นต้องกดชักโคกลงไปทั้งๆ ท, ที่มีบางส่วนยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เราบาดไหมคะถ้าเราไม่ตักมันออกมาก่อนเนาะตักมันออกมาก่อนสิตักแล้วค่อยชักโครก มั็นต้องกลัวมันส ก, กเปลุกหลักร่างมันก็ออกมาจากร่างกายของเราเนี่แหละส้วมของในส้วมมันมาจากที่ไหนมันก็มาจากร่างกายของเราถ้ามีตัวสัตว์เราก็จับมันออกมาก่อนแล้วเราค่อยชักโคก ค, ค่อยทํำการสะอาดหมดหรือยงังมีสองข้อคะอ่ะสองข้อคาถามจากคุณมีกุลค่ะอาหารของจิตคืออะไรคะก็คือบุญไงมีหลายระดับบุญที่เกิดจากการทําทานะ บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบอันนี้เป็นบุญเป็นอาหารของจิตแล้วก็ทำไปตามกำลังของเราทำของที่เราทำได้ก่อนอาหารที่ง่ายที่สุดของจิตก็คือทำทานเวลาจากจะเอเงินไปซื้อกระเป๋าก็าไปทำทานเวลาจะเอาเงินไปเที่ยวก็ไปท ำ, ทำทานทำทานอย่างญาติโยมเมื่อเช้านี้สองคนบอกว่าเขาจะไปเที่ยวญี่ปุ่น แล้วเขเปลี่ยนใจก็เอาเงินนี้มาถวายเป็นค่าอาหารของพระในช่วงเข้าพรรษานี้ดีกว่าแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าไปเที่ยวเที่ยวญี่ปุ่นนะทำทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาแต่มันจะยากกว่ากาันขึ้นไปทําทานมันง่ายกว่ารักษาศีลรักษาศีลมันง่ายกว่าภาวนาแต่บุญที่ได้ก็ต่างกันทําทานก็ได้บุญได้น้อยกว่าการรักษาศีล รักษาศีลก็ได้น้อยกว่าการภาวนาอาอีกข้อหนึ่งคำ ถ, ถามจากคุณคาวีค่ะเวลาตายปุ๊บจิตไปรับผลกรรมเลยหรือครับจิตมันรับตั้งแต่ยังไม่ตายพอทำบาปปั๊บจิตมันก็ร้อนขึ้นมาแล้วมันมันรับผลอยู่ตลอดเวล า, าแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา